สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพคะขอต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสันสนีสนทนากันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่เราได้หยุดพักผ่อนกันไปในช่วงเวลาเสาร์อาทิตย์พร้อมๆกันบางคนก็บอกว่าได้พักผ่อนแต่บางท่านก็บอกว่ามันเหมือนกันเสาร์อาทิตย์กับวันธรรมดาดิฉันเองเคยมีชีวิตที่ผ่านมาแบบไม่มีเสาร์อาทิตย์เหมือนคนอื่นมาแล้วนะคะก็เห็นใจเข้าใจแต่อยไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถจะมีวันที่ วุ่นวายโดยที่ใจเราไม่ได้เดือดร้อนไปเช่นนั้นด้วยอยู่ที่ว่าจะรู้จักวิธีวางใจกันแค่ไหนเพียงไรรื่การนี้นะคะศาสนาสนทนาเนื่องจากสาระหลักเนี่ยจะเป็นการสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมของพระพุทธองค์โดยเน้นที่ว่าเป็นพุทธวจนะจากพระโอษฐ์ก็จะสามารถช่วยในส่วนนี้ได้เพราะว่าพระพุทธองค์นั้นส่วนใหญ่ก็ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องของใจเรื่องของจิตนะคะไปเอาเรื่องโลกโลกกันก่อนดีกว่า เพราะว่าในช่วงเวลาของเราก็จะมีช่วงของถามโลกตอบธรรมคือเอาเรื่องโลกเนี่ยเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไร เมื่อวานนี้เข้าใจว่าคงจะมีคนไทยไม่น้อยเหมือนกับประชากรโลกที่สนใจในเรื่องหมันหมัดมวยๆนะคะดูมวยเดนเองก็ได้ดูเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาถ่ายทอดทางช่องเจดสีแล้วก็คนที่บ้านเนี่ยเขาก็จะนิยมกีฬามวยมากก่อนหน้าที่จะรู้ว่ามีการถ่ายทอดตรงไหนอย่างไรความไม่แม่นยำเนี่ยนะคะทำให้วุ่นวายในการแสวงหาว่าเอ๊ะอออากาศจริงหรือเปล่าอออากาศตอนไหน พอได้ดูเนี่ยก็รู้สึกว่าคนให้ความสนใจมากจริงๆยิ่งไปอ่านหนังสือพิมพ์ประกอบนะคะคนฟิลิปปินเนี่ยเข้าภาคภูมิใจในตัวนักชก ค, คนนี้คือนายปากเกียวเนี่ยมากเพราะว่าสามารถชนะแชมป์โลกต่างๆมาจนครองตำแหน่งแชมป์โลกหลายรุ่น6รุ่นด้วยกันและล่าสุดที่เมื่อวานก็ชนะไปอีกนะคะนายยกสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าได้ครองแชมป์ไปแล้ว7รุ่น คู่ชคของเขาเลยตัวใหญ่มากขเขาขึ้นเรื่อยๆนะคะเข้าใจว่าถ้าจะไปชกต่อไปในงวดหน้าเมื่ออินจำชื่อไม่ได้ว่าคนที่มีโอกาสที่เขาจะต้องไปชคเพื่อชิงแชมป์อีกประเภทหนึ่งในอนาคตชื่อนายอะไรนะคะแต่ก็ดาว่าคงจะเป็นคู่ชคที่โลกต้องจับตามองอีกเช่นเดียวกันความสงสัยของดิฉันมันเกิดขึ้นก่อนมาจัดรายการก็เลยสงสัยว่าเอ๊นี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่คนให้ความสนใจเยอะเนี่ย ถ้าตามวินัยของพระสงฆ์ที่พระพุทธองค์วางไว้นะคะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยสามารถที่จะดูกันละเล่นแบบนี้ได้หรือไม่เดี๋ยวก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ไปกลับเรียนถามพระคุณเจ้าที่เราได้นมัส ก, การมาสนทนาแล้วก็ให้ข้อสว่างกระจางใจเพราะว่าก็เป็นพระภิกษุที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธองค์โดยเฉพาะที่เน้นว่าเป็น คำสอนจากพระโอษฐ์หรือว่าเป็นพุทธวัตรธรรมวินัยจากพระโอษฐ์อีกรูปหนึ่งนะคะคือพระอาจารย์ภัยบุญอาภีปุลโนเดี๋ยวไปพบกับท่านค่ะ